BOOK 2ูห้าสิบสองยากไปเรนดูในห้างสรรพสินค้า department store โลเราไปห้างสรรพสินค้ากันไหมมนุษย์บอกกับ department store คีเวิลดามะดิฉันต้องไปซื้อของ นี่นู้ช้อปปิ้งคืเวลาลาดิฉันอยากซื้ของหลายอย่างนากจละลาชอปิจเยาลยใวัี้แนกเครื่องใช้สำนัก ง, งานอยู่ที่ไหนคะกาเราื่มัริกสิส ม, มันดินฉนะสั่ลื่อยเอ็ ก, กรดรูนไนดิฉันต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียนนากูยวลมารเลขมริกาวาล ดิฉันต้องการปากกาลูกเลื่นและปากกาเมจิกนักอุปนลมูมาริโอมาคัลลูคาวาลีผาแผนกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหนกรุ๊พอปการ a าลูอยากกันอยูไหนดิฉันต้องการตู้และตู้ลินชักนักว ก, กปปุลอมามารามรุวรล ว, วลมาเวา ดิฉันต้องการโตเขียนหนังสือและฉันวางหนังสือนักวะกับัลล่ า, ลาลมาริอุปุสตะกาลิเป็ตุกเนอัลมาระกาวาลีนแผนกของเล่นอยู่ที่ไหนคะอาร์ตวัสดุเลือกกะดูนไหนดิฉันต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมีนักวะกับัมม่ามาริอุวิกเต็ดดี้เบร์กาวาลี ดิฉันต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุกนักวิเะฟุตบอลมาริโอวคะเชสบอร์ดคาวาลีแผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนคะสาธนาลอยักยกระดุมไหนดิฉันต้องการคอนและคีมนักวิเะสุตติมาริโอฟลายเออร์และจัตคาวาลีดิฉันต้องการสว่านและไขควง นดร iller อ ว, วกสกรูดเร์คาวาลยแนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหนนักล็บอวิภาคมีกี่คนดีดิฉันอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือนักว่กกลซูมสร้ยู่ว่าก บ, บรสเล e คาวาลดิฉันอยากได้แหวนและต่างหู นักวกับวังการ์มมาริโอวกับเจต้าเชเวอริง